วิญญาาณไม่ตยในหนังสือเรื่องชีวิตหลังจากตายหรือโลกทิพย์ภาคสี่ซึ่งเขียนโดยท่านโยคียรามจักมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่าวิญญาณหรือสปิริตไม่เคยเกิดและไม่เคยตาย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 ข้อความที่กล่าวนี้ท่านโยคียรามจากักได้อ้างมาจากหนังสือของท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนผู้เขียนเรื่องพุทธประวัติและท่านได้กล่าวว่าท่านเซอร์เอ็ดวินได้ข้อความอันนี้มาจากในคัมภีพระควัตขีตาเป็นอันว่าข้อความที่อ้างมานี้ก็คือมติของศาสนาพราหมณ์และท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนซึ่งถึงแม้จะได้เรียนพระพุทธศาสนามาอย่างมาก ก็มีความเห็นในเรื่องวิญญาณอย่างเดียวกับของศาสนาพราหมณ์ท่านโยคียรามจากเดิมทีเดียวเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าวินเลียมวอล์กเกอร์แอดคินสันภายหลังท่านได้ไปศึกษาศา ส, สนาและปรัชญาต่างๆของอินเดียซึ่งรวมทั้งได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาด้วยและต่อมาก็ได้บวชเป็นโยคียอยู่ในอินเดียได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม ตัวท่านเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดเป็นโอปปาติกะได้60กว่าปีแล้วท่านผู้นี้แหละที่ได้ช่วยเพ่งในเวลาที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเกือบจะทุกเรื่องและเป็นผู้ที่ช่วยตอบปัญหาต่างๆลงในแววเสียงสวรรค์และในคอลัมน์ตอบปัญหาท่านได้มาช่วยเหลือข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าเริ่มจับอ่านหนังสือของท่านเมื่อ 4-5 ้ปีมาแล้ว และส่วนมากท่านจะอยู่กับข้าพเจ้าเสมอไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปไหนโดยเฉพาะเวลาไปสอนหรือไปประถักกถาท่านได้มาใกล้ชิดกับเท พ, พเจ้าที่รู้พุทธศาสนาอย่างดีเช่นหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารโตเป็นต้นและได้ยินได้ฟังข้าพเจ้าสอนอยู่เสมอแนวความคิดของท่านซึ่งแต่เดิมก็เป็นของพราหมณ์แต่มาในปัจจุบัน ท่านจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ท่านจะเห็นได้จากบทความต่างๆหรือคําตอบต่างๆที่ข้าพเจ้าเขียนเพราะโดยส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเขียนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อข้าพเจ้าได้พิมพ์หนังสือชีวิตหลังจากตายของท่านออกเผยแพร่และมีข้อความในทํานองที่ขัดกับหลักพุทธศาสนาเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงได้กราบเรียนถามท่านว่า จะยืนยันในมติเดิมตามที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้หรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ท่านได้ตอบดังนี้เดี๋ยวนี้ท่านเข้าใจเรื่องวิบากและเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากฉะนั้นเดี๋ยวนี้ท่านจึงไม่ได้มีความเห็นยืนยันตามมตินั้นแต่ท่านก็ให้ข้อคิดเห็นว่า คนที่จะเข้าใจเรื่องความว่างเรื่องนิพพานในพุทธศาสนาและสามารถที่จะปฏิบัติก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงคำว่าวิญญาณไม่ตายตัวเราจะมีอยู่เสมอในเมื่อเราต้องการจะอยู่แต่คำว่าไม่ตายในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงวิญญาณไม่ตายในลักษณะที่เป็นสัสตตตถิธิ คือเท y y ี่ยงแท้ย่างยืนตลอดการไม่มีการเกิดดับและเกิดใหม่เหมือนอย่างมติในพุทธศาสนาเพราะถ้าหากไม่ยอมรับความจริงในเรื่องนี้แล้วความกดดันซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงต่อการละตันหาต่อการเข้าถึงความว่างนั้นจะไม่มีทางหมดไปจากสันดานได้เลยการเข้าใจเรื่องวิญญาณไม่ตายตามมติของพราหมณ์นั้นก็มีประโยชน์อยู่มาก เพราะทําให้มองเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องละชั่วและทําดีด้วยความสมัครใจของตนเองและสามารถที่จะมีศิลธรรมเกิดจากตัวเองได้แต่ก็เป็นภัยตรงที่ว่าตราบใดที่ยังยึดถือว่าวิญญาณไม่ตายในความหมายที่เป็นสัจสตาทิฐิจะไม่มีการละสักยะทิฐิได้เลยไม่มีทางที่จะเข้าถึงความว่างหรือนิพพานได้เลย คำว่าวิญญาณไม่ตายในความหมายของพุทธศาสนาที่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านเข้าใจดีแล้วนั้นก็คือตราบใดที่เรายัางต้องการที่จะมีชีวิตมีตัวตนอย่างอยากที่จะเป็นอะไรหรืออยากที่จะได้อะไรวิญญาณจะต้องมีอยู่ตลอดการคือถึงแม้จะดับแต่แล้วก็ต้องเกิดขึ้นอีกซึ่งวิญญาณที่เกิดใหม่ไม่ใช่วิญญาณอันเก่าแต่ก็สืบเนื่องมาจากอันเก่า เหมือนต้นไม้ที่เกิดใหม่แม้จะเหมือนต้นเดิมแต่ไม่ใช่ต้นเดิมเพราะต้นไม้ทุกอย่างย่อมเกิดจากมเมล็ดของมันแล ะ, มะเมล็ดของมันก็เกิดมาจากต้นของมันคำว่าวิญญาณไม่ตายดังที่กล่าวนี้ในความหมายที่ถูกต้องก็คือวิญญาณมีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่เสมอตลอดเวลาตราบเท่าที่ตัณหา ย, ยังมีอยู่ในสันดาน และวิญญาณจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าหากเราพยายามปฏิบัติแต่ความดีอยู่เสมอมันฝึกสมาธิมันจเจริญวิปัสสนาอยู่เสมอการเข้าใจเรื่องวิญญาณแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้ละสักยทิฐิได้ทําให้บรรลุถึงนิพพานได้เพราะการบรรลุถึงนิพพานนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่า ไม่มีจริงแม้กระทั่งตัวตนคือวิญญาณที่ว่าไม่ตายนี้ก็ไม่มีจริงและคนเราจะเข้าถึงความจริงได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสามารถทําใจให้เป็นอิสระจากอารมณ์และจากความรู้สึกนึกคิดได้ทุกอย่างท่านบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยท่านมีความเห็นแบบนี้ อันที่จริงการศึกษาเรื่องวิญญาณตามลทัทธิศาสนาพราหมณ์หรือตามลทัทธิศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามก็ตามเราจะเห็นถึงประเด็นที่แตกต่างระหว่างศาสนาเหล่านี้กับศาสนาพุทธก็ตรงที่คําว่าวิญญาณไม่ตายวิญญาณไม่ตายในความหมายของพุทธศาสนานั้นมีเงื่อนไขกล่าวคือถ้าตันหายังมีอยู่วิบากก็ต้องมี เมื่อวิบากมีวิญญาณก็ต้องเกิดอีกเมื่อวิญญาณเกิดอีกนามรูปก็เกิดอีกเมื่อนามรูปเกิดอีกก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอีกวิญญาณจะมีอยู่ตลอดไปไม่ดับสูญก็โดยมีเงื่อนไขดังที่กล่าวมาและอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานได้จะต้องมองเห็นว่าวิญญาณที่ไม่ตายนั้นก็ไม่มีจริง เพราะสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับสิ่งใดดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้สิ่งนั้นย่อมไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริงเงื่อนไขของวิญญาณดังที่กล่าวมานันนี้ในลทัทธิศาสนาอื่นไม่มีเลยด้วยเหตุนี้ตราบใดที่ยังเป็นสัสตตตถทิทิฐิอยู่ก็จะบรรลุถึงนิพพานไม่ได้เลยเป็นอันขาด อัน 1, ตามลทัทธิศาสนาพราหมณ์ที่สอนกันมานานว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตายก็เพราะผู้ที่เป็นศาสดาสอนศาสนานี้เป็นผู้ที่สามารถระลึกชาติได้และมีตาทิพด้วยความสามารถสองอย่างนี้ทำให้มองเห็นชีวิตหลังจากตายและชีวิตก่อนที่จะมาเกิดและเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จำได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันถึงแม้แต่ละชาติจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังจาได้ว่า เป็นคนคนเดียวกันหรือเป็นวิญญาณอันเดียวกันไม่ว่าจะนึกย้อนหลังไปไกลสักเพียงใดก็ยังคงมองเห็นอยู่ว่าวิญญาณไม่ตายตายแต่ร่างกายเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะความคิดไม่ละเอียดมองไม่เห็นการเกิดดับและเกิดใหม่ของวิญญาณซึ่งเป็นไปอย่างที่ยิบมองไม่เห็นกฎของปฏิจจสมุ ป, ปบาทที่ควบคุมการเกิดดับของวิญญาณ และเพราะเหตุที่ยังเป็นสัตตตตาทิฏฐิอยู่จึงไม่อาจจะบรรลุถึงนิพพานซึ่งเป็นภาวะอันเดียวที่จะให้ความรู้อย่างแจ่มแจ้งและละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงสัสดาหเหล่านั้นมีแต่ความรู้ในเรื่องการระลึกชาติและมีตาทิพเท่านั้นความรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจไม่มีเพราะเหตุนี้จึงได้ยืนยันตลอดมาว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตายดังที่ได้อ้างมา นหนึ่งในหนังสือเรื่องชีวิตหลังจากตายนั้นในหน้า22ได้มีข้อความอีกตอนหนึ่งว่าในอนาเขตอันกว้างขวางและลึกซึ้งของจิตใจที่เราเรียกกันว่าจิตใต้สํานึกและเหนือสํานึกนั่นเองเราจะหาพบความจริงอันเป็นมูลฐานของสากลจักรวาลได้ซึ่งความจริงดังกล่าวนั้นจะมีหลักใหญ่ๆอยู่สองประการดังต่อไปนี้คือ 1. มีอำนาจสากลอันสูงสุดอยู่ภายใต้โลกอันเต็มไปด้วยปรากฏการ์ของเรานี้อยู่อำนาจดังกล่าวนี้อยู่เบื้องหลังโลกเรานี้และเป็นสาเหตุที่ทำให้ปรากฏการ์ของโลกเราในรูปแบบต่างๆนี้ดำเนินไปได้เรื่อยๆ 2. ตัวตนที่แท้จริงนั้นมีสภาพที่ไม่ตายซึ่งอันนี้ก็หมายถึงสภาพที่อยู่ภายในใจ อันเป็นสภาพที่ไฟไม่สามารถเผาให้ไหม้ได้น้าก็ท่วมไม่ได้ลมก็พัดไปไม่ได้คืออะไรอะไรก็ทำลายไม่ได้เลยข้อความที่อ้างมานี้ก็ได้กราบเรียนถามท่านแล้วว่าอำนาจสูงสุดที่ท่านพูดถึงนี้หมายถึงอะไรท่านก็บอกว่าตามความเข้าใจเดี๋ยวนี้หมายถึง กฎแห่งกรรมนั่นเองแต่ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นอำนาจสูงสุดนี้หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ซึ่งถือว่ามีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกในสมัยนั้นท่านยังไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งจึงไปติดอยู่ในเรื่องอัตตาหรืออาตมันและปรมาตมัน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลน่าเชื่ออยู่มากและความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์มากมายแต่ถ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณและกฎของกรรมของพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องไปเชื่อแบบนั้นเพราะความเชื่อในเรื่องกฎของกรรมตามหลักของพุทธศาสนาก็ให้ผลอย่างเดียวกันกันกบความเชื่อในแบบพราม และไปไกลกว่าที่จะไม่ยึดมั่นในเรื่องอัตตาและในเรื่องปรมาตามันแบบพรามเพราะตราบใดที่ยังเชื่อว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้ยั่งยืนจะละตัณหาไม่ได้โดยเฉพาะคือตัณหาในขั้นละเอียดและเมื่อละตัณหาไม่ได้อุปาทานก็ละไม่ได้และเมื่อละตัณหาอุปาทานไม่ได้ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพราะถึงอย่างไรจิตใจในเมื่อยังถูกครอบงาด้วยตัณหาอุปาทานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็อดที่จะสร้างความหลงผิดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้เสมอและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อยังรู้สึกว่าอัตตาของเรามีอยู่จิตก็จะว่างอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ ถึงแม้จะว่างจากอารมณ์ภายนอกแต่ความกดดันจากภายในก็ยังต้องมีและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่อาจที่จะเข้าถึงความสงบอันประนีตซึ่งเป็นความสงบในขั้นโล ก, กุตระได้ด้วยการเข้าถึงความสงบอันนี้เท่านั้นคนเราจึงจะรู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและในเมื่อตัวเองเข้าถึงภาวะอันนั้นก็ย่อมจะรู้จักแนวทาง ที่จะสอนคนอื่นให้มีความก้าวหน้าในทางวิญญาณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่กาละเทศะคือความคิดจะพัฒนาไปในทางที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คนในโลกมากขึ้นโดยลำดับจะเป็นผู้นำทางวิญญาณที่ไม่พาสาวกให้เดินหลงทางเป็นอันขาดเพราะเหตุนี้การเข้าถึงความว่างอันสมบูรณ์การเข้าถึงความสงบอันประณีต จึงเป็นภาวะที่สูงสุดยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างดีนั้นในเมื่อเราเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะมองเห็นได้โดยไม่ยากว่าที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงกฎของกรรมหรือเข้าใจกฎของกรรมอย่างแจ่มแจ้งนั่นเอง ท่านบอกว่าท่านรู้สึกดีใจที่ท่านได้มีโอกาสแก้ไขข้อบวกพร่องในหนังสือที่ท่านเขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดเข้าใจตามที่ท่านแก้ไขใหม่ดังที่กล่าวมานี้